อากังขมาณะชักกะว่าด้วยสงมุ่งหวังจะลงตัดชนียกรรมหกหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสง์เมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาสก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์สองโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้สามอยู่คลุกคลีกับคฤหัต ด, ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัตที่ไม่สมควรภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวัง พึงลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหล